เรื่องการสอนสมาธิก็ไม่หยุดยัง้งทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลขึ้นมาอย่างจริงจังเพราะว่าการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของสมาธินั้นเป็นนามธรรมและเป็นประโยชน์กับตัวของเราและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างมากมาย แต่การที่เป็นประโยชน์นั้นนั่นเป็นสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าการเป็นประโยชน์จริงๆแต่บุคคลส่วนมากกลับไม่เข้าใจว่าประโยชน์จริงๆที่มันเกิดขึ้นจากสมาธิแต่กลับไปเข้าใจว่าสิ่งอื่นๆอันที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ เกิดความฟุ้งเฟอ้อเกิด อ, อะไรต่างๆนั้นเห็นว่าเป็นความสำคัญใปอย่างไรก็ตามใครจะเห็นอย่างไรแต่ว่าคณะของเราเราก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ฝนจะตกว่าจะร้องแดดจะออกนักศึกษาก็ไม่ถอยและนักศึกษาไม่ถอยครูก็ไม่ถอยเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามในวันนี้ก็มีข้อสำคัญอยู่ในเรียกว่าเป็นข้อสุดท้ายของการบริกรรมข้อสุดท้ายของการบริกรรมนั้นเราอาจจะมองดูว่ามีเลือกความเพียงนิดเดียวแต่ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมา ก, กสำคัญอย่างไรสำคัญตรงที่ว่า เราทำการวัดผลการวัดผลนั้นมันต้องมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุมันจะมีผลขึ้นมาไม่ได้ทีนี้การกร่อเหตุนี้มั น, นมันมีวิธีการกร่อเหตุนี่หลายเรื่องหลายอย่างเช่นเราจะสร้างบ้านขึ้นสักหลังหนึ่งมันต้องเป็นเรื่องการกร่อเหตุผลมันถึงจะออกขึ้นมา ในเรื่องของการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันจำเป็นที่จะต้องก่อเหตุมาทั้งหลายแหล่ที่เราดำเนินการมาอย่างไม่หยุดยั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นเหตุการสร้างเหตุหมายถึงว่าการสร้างงานงานสมาธิหมายถึงงานที่จะต้องสร้างด้วยการต่อเนื่อง การสร้างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าหายใจเข้าหายใจออกทำกันตอนลอด24ชั่วโมงแต่ว่าการต่อเนื่องนั้นอาจจะเป็นวันละหนึ่งครั้งหรืออาจจะเป็นวันละสองครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นอันนี้สุดแล้วแต่บุคคลแต่ว่าการต่อเนื่องนั้นคือการทาที่เรียกว่าไม่หยุดสักวัน แต่อาจจะโยดบ้างเพราะบางครั้งมันก็อาจจะเหนื่อยมากเกินไปอันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการขาดตอนเพราะว่าใ้เรื่องของการทําสมาธิเนี่ยมันไม่มีการขาดตอนทําไมจึงว่าไม่มีการขาดตอนเพราะว่ามันเป็นของเชื่อต่อได้เรื่อยในอดีตชาติเคยทํามาแล้วก็มาถึงในปัจจุบันก็ทําอีก อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้เอกการที่ทำอีกหน้าเข้าไปต่อเนื่องกันกันกบที่ทำมาแล้วอันที่จริงนั้นการทำทุกอย่างนี่มันต้องสมเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลคาว่าสมเหตุสมผลนั้นก็คือถ้าเราทำไม่ได้ถึงขั้นนี้ผลมันก็ไม่ออกมาอย่างนี้ ถ้าทำไม่ได้ถึงขั้นนั้นผลมันก็ไม่ออกมาอย่างนั้นเช่นอย่างว่าเราบริกรรมเมื่อบริกรรมยังไม่เข้าขัน้นเราบอกว่าเอ๊ะทาไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมจะไม่ดีอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่เราไปคิดเอาอย่างนั้นน่ะมันหมายความว่าเอมันยังไม่เข้าขั้นที่มันจะเป็น เมื่อไม่เข้าขั้นทิพมันจะเป็นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยอดท้อหรือไม่จาเป็นที่จะต้องไปน้อยใจหรือไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดใสิ่งที่ทำให้เราต้องเกิดความเศร้าหมองเนื่องจากว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้น ผลของการทำสมาธินั้นหมายถึงการที่ทำให้เราเกิดความชุ่มชื้นถ้ามันเกิดความเศอ้าหมองนันก็ไม่ใช่เรื่องของการทำสมาธิถ้าเราเกิดความชุ่มชื้นหรือว่าเกิดความมั่นคงในใจนั่นก็เรียกว่าเราทำสมาธิไอ้ความเศ้าหมองหรือความ ไม่ผ่องใสอะไรต่างๆนี่ความหมุดหงุดหั่วความอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องนอกเหนือเคาเรียกว่านอกเหนือจากสมาธิอย่างคนที่ต้องมีการเศร้าใจอย่างคนที่ต้องมีความเสียใจบางคนก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับ้เรื่องความเศ้าใจนั่นะนะเมื่อเกิดขึ้น มันก็ไม่ใช่เรื่องของสมาธิมันเป็นเรื่องของกิเลสชนิดหนึง่งหรือว่าเป็นเรื่องของโลกชนิดหนึง่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามธรรมดาแต่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของสมาธิเ mm. มื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งต่างๆที่เราไปนั่งเสียใจอยู่อันนั่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นไม่เกี่ยว มันเกี่ยวกับไอ้เรื่องของจุดดำที่มันเกิดขึ้นตังหากทีนี้สำหรับเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเรื่องของการแก้จุดดำตรงนั้นทีนี้มันยังแก้ไม่ไหวก็เพียงแต่ว่าลดระดับเอาก็ยังดีจริงอยู่การทำสมาธิจิตก็ต้องเป็นสมาธิแต่เราเองจะต้องทราบถึงการเป็นสมาธิ เมื่อทราบแล้วเราก็ต้องรู้ต่อไปว่าคำบริกรรมนั้นสมควรจะหยุดได้หรือยังในเมื่อสมควรแล้วก็ต้องหยุดจึงมีความจําเป็นที่จะต้องหยุดด้วยความรู้และความเข้าใจคําว่าที่จะต้องหยุดด้วยความรู้และความเข้าใจก็คือการวัดผลถ้าเรายังวัดผลไม่ถูกต้องก็ถือว่าเรายัง ไม่รู้และเรายังไม่เข้าใจการที่กำหนดเช่นนี้ก็ต้องไปต้องมีการทดลองเพราะเมื่อทดลองแล้วจะรู้ว่าคาบริกรรมนั้นหมดความจำเป็นในขณะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็ต้องลองดูว่ามันจะดีไหมอ่าเราอย่างเราแกงเนี่ยมันจะจืดหรือมันจะเค็มอะไรต่งตางๆาก็ต้องลองดูหน่อย แต่บางคนลองมากไปจนอิ่มก็มีเช่นมีพวกหนึ่งที่ไปกับหลวงพ่อไปถึงก็จะไปซื้อจะไปซื้อเงาะอทีนี้ที่จริงแล้วคนที่ตามไปมันไม่มีสตังค์มันไปถึงเขนบอกว่าอันนี้ชิมได้ไหมได้หนึ่งลูกมาอีกจาน้นชิมได้ไหมได้สองลูก เจ้านี้โอ้ยชิมมากๆก็ได้อย่างนั้นก็เอาสามลูกอ น, นที่สุดเลยชิมอิม่มและเทนี้สตังก็ไม่ต้องเสียเดินกลับมาอย่างนั้นแช่ไม่ได้ทีนี้เรามาพิจารณาถึงการทดลองคือว่า เ, เราจะทดลองว่าเราจะหยุดคำบริการซะในขณะนี้แหละเราจะหยุดแล้วเมื่อเราจะหยุดเราก็ ไม่นึกวางจิตเฉยๆอันนี้เรียกว่าทดลองทีงนี้เมื่อเวลาที่เราหยุดแล้วไอ้จิตมันก็ฟุ้งจิตมันก็กงังวลจิตมันก็ไม่นิ่งอันนี้เรียกว่ายังหยุดไม่ได้ตรงนี้ต้องบริกรรมต่อไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรา มาถึงขั้นนี้แล้วเรากะว่าจิตของเรานี่ต้องสงบได้แล้วอย่างนี้เราหยุดแล้วก็หยุดได้จริงๆไม่หยุดได้จริงๆทงทับทีนี้เราก็กำหนดแต่ผู้รู้หรือความรู้ไว้ไปตลอดนี่คือลักษณะของการเดินจิตในขั้นแรก <c oughs> เช่นบริกรรมอยู่สบายพอหยุดบริกรรมจิตกฟ็ฟุ้ง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องหยุดคำบริกรรมไม่ได้แต่เมื่อหยุดคำบริกรรมจิตก็ยิ่งสบายขึ้นแสดงว่าหยุดได้แล้วการกระทาเช่นนี้เป็นการวัดผลของตนด้วยตนเองถือว่าเป็นการวัดผลในเบื้องตน้นเพราะฉะนั้นการวัดผลนั้นมันจึงอยู่ที่จึงอยู่ที่ อย่างข้อที่หนึ่งนับแต่การบริการจนถึงหยุดบริกรรมเป็นปรากฏการณ์ของขั้นที่หนึ่งข้อก่ อ, อจิตพบจิตบริกรรมเป็นการพบกันครั้งแรกของสมาธิสร้างขึ้นคือว่าจิตเนี่ยมันไปพบจิตเราต้องรู้ว่าเวลาที่เราบริกรรมครั้งแรกที่สุดเนี่ยที่เราเริ่ม ทำสมาธิย่างที่ไม่เคยทําเลยอย่างเนี้ยนั่นแหละคือการพบกันครั้งแรกเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่เคยบริกรรมแต่ก่อนไม่รู้เรื่องของสมาธิแต่ก่อนไม่รู้อะไรอะนะแต่ทีนี้พอเริ่มต้นพับข้อกอเกิดขึ้นก็หมายความว่าจิตพบจิตคําว่าจิตพบจิตนั่นเราลองสังเกตดูว่าเวลาเราบริกรรมพับเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาอันหนึ่ง ปฏิกริยาอันนั้นคือว่ามันเกิดมีการทำในสิ่งที่เรียกว่าทวนกระแส่ทวนกระแสเพราะว่าธรรมดาจิตเนี่ยมันจะต้องคิดอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ชั่วบ้างอย่างเนี้ยทีนี้มันก็ถอยมามาม า, มาอยู่ที่คาบริกรรมมันก็สั้นลงไปนั่นเขาเรียกวัาจิตพบจิตเป็นครั้งแรกของสมาธิที่สร้างขึ้นข้อที่สองก็ขอ เป็นตัวกรองอารมณ์ยังมีความรู้สึกว่าสบายขึ้นเมื่อมาถึงข้อขอก็อพบแล้วว่าไอความสบายของการบริกรรมเนี่ยมันมีมากคือว่าไอไอความสบายของการบริกรร ม, ม น, นี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับสัมผัสหรือว่าไม่ได้รับรสอันนี้คือรสของสมาธิเนี่ย มันไม่เหมือนกันกับความสุขแบบอื่นๆที่เราเคยได้อย่างที่เราเคยได้โชคได้ลาบมีเงินมีทองหรือว่าได้ยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าได้ของอะไรที่เราพอใจอ่ะความสุขอันนั้นเป็นความสุขในกรณีหนึ่งแต่ทีนี้มามีความสุขตรงที่มันเกิดการกรองอารมณ์ขึ้นเนี้ย มันจะเป็นความสุขอีกกรณีหนึง่งซึ่งจะไม่เหมือนกันเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่เหมือนกันตรงไหนคือไม่ไม่รู้ออรู้ได้ว่าที่ว่ามันไม่เหมือนกันนะั่นอ่ะมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าความสุขนันอื่นๆที่เราได้รับอยู่ในขณะที่เราไปรับนั่นนะเราใช้อารมณ์เข้าไปทาความสุขเช่นอย่างมีเงินอย่างนี้ได้เงินมาเป็นหนึ่งแสนเป็นล้าน เราเอาอารมณ์ที่เราไปจาะอยู่ที่นั่นอนะ่ะมันเป็นความสุขหรือเราไปได้ของที่รักของที่ชอบใจเราก็เอาอารมณ์ไปอยู่ที่ของรักของชอบใจนะนะั้นอ่ะอันนั้นคืออารมณ์ทีนี้พ อ, เ, อ, อเราได้ของอื่นๆนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้จะมีอะไรอีกเยอะแยะความสุขเหล่านั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เราไปอยู่ในข่วงของอารมณ์ คือนึกให้มันเกิดความสุขและมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมาด้วยความนึกคิดอัตโนมัติแบบที่ว่ามีความสุขชนิดเท่เจริญด้วยอารมณ์ทีนี้เรามาพูดตัวข้อขอที่ว่าเป็นตัวกรองอารมณ์เนี่ยคือมันกรองออกไปแล้วทีนี้มันไม่เหลืออารมณ์มันไม่เหลือมันไปเหลือแต่ความสงบความสงบนั้นมัน เรียกว่าแทบไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาเจือปนแต่มันไปเกิดความสุขตรงนั้นก็เลยเป็นการตรงกันข้ามกับความสุขที่เราได้รับอยู่ความสุขที่เราได้รับอยู่นั้นคือเป็นความสุขที่ประกอบด้วยอารมณ์ความสุขที่เกิดขึ้นจากการกรองอารมณ์นั่นหมายถึงความสุขที่ไรอารมณ์หรือมีก็เพียงนิดหน่อย อันนี้จึงเป็นความสุขที่แปลสภาพออกมาด้วยการกรองของสมาธิอของพุทโธของการบริกรรมข้อขอข อ, ขอต่อไปคือมองเห็นตัวอารมณ์มีสติยังคิดพอไปถึงพอพอลงไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยเราจะไปมองเห็นอารมณ์อย่างคนเห็นใิมิตอย่างนี้เขาเรียกว่า ม, มองเห็นอารมณ์ ทีนี้บางคนเนี่ยไม่มีนิมิตแต่ว่ามองเห็นเหมือนกันแต่มันไม่เป็นรูปร่างขึ้นมาอันนั้นเขาเรียกว่ามองเห็นอารมณ์อย่างที่เรามีนิมิตเกิดขึ้น น, นเมื่อเวลาที่เรา เ, เป็นสมาธิเนี่ยมันก็เกิดการมองเข้าเรียกว่ามองมองเห็นมองเห็นอารมณ์ คำว่ามองเห็นอารมณ์นี่ก็คือตัวผู้รู้เป็นผู้ที่มองเห็นการมองเห็นอย่างนั้นอ่ะเขาถือว่าจิตมันละเอียดคือละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะเพราะการมองเห็นอารมณ์นี่มันจะมีสติยังคิดแล้วก็การที่เรามองเห็นอารมณ์อันนี้จะเป็นเครื่องเตือนสติแล้วก็เป็นผลอันสาคัญจุดหนึ่งตรงนี้ด้วยเหตุที่ว่า เรามองเห็นตัวอารมณ์การที่มองเห็นตัวอารมณ์นั้นพอเวลาที่เราเลิกจากสมาธิไปแล้วเนี่ยไอ้กิาการอันนี้มันจะติดตามเราไปพอเวลามันมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมองเห็นตัวอารมณ์พอมองเห็นตัวอารมณ์แล้วเราจะไม่ยึดคือจะไม่ไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นไฟกับฟืนไม่เป็นเชื้อเพลิง เวลาที่คนจะว่าอะไรมาสักทีหนึ่งอย่างนี้เราก็มองเห็นตัวนี้ว่านี่คืออารมณ์โกรธแทนที่เราจะไปเป็นเชื้อไฟให้เมื่อเวลาไฟมาแทนที่จะไปเป็นเชื้อไฟให้มันก็ไม่เป็นเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้คนที่มันกาลังโกรธขึ้นมามันก็คิดได้เรื่องต่างๆมันก็ร้ายกลายเป็นดีอันนี้เป็นลักษณะ ของข้อคอ <c oughs> ทีนี้ต่อมาเป็นข้ององูเป็นสมาธิตื่นใช้กับการงานได้มาเป็นข้องออันนี้อันนี้กิริยาของการวัดผลนะเท่าที่พูดมานี่คือการวัดผลเป็นกิริยาของการวัดผลคือหมายความว่าเมื่อเราบริกรรมมาถึงขั้นคือหมายความว่า สามารถยึดเหนี่ยวในคาบริกรรมได้อย่างมั่นคงแล้วก็จิตก็อยู่ในลักษณะที่มีความละเอียดไม่ใช่ละเอียดนักแต่ว่ามีความรู้เช่นอย่างเรานึกพุโทโธเนี่ยเรานึกได้พุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสามแล้วเรานึกได้เราจะนึกพุโทโธเท่าไรเราก็นึกได้นึกมากเท่าไรเราก็นึกได้ แต่การนึกน่นนะมันมีผู้รู้ที่ให้นึกอยู่ให้สังเกตให้ดีว่าในขณะที่เรานึกพุโทโธนะ่ะไอ้คนที่นึกพุโทโธมันมีอยู่คนหนึ่งหรือเรียกว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่คอยกากับแล้วคอยนึกพุโทโธอยู่นั้นอันนั้นแหละเรียกว่าสมาธิเมื่อไปถึงอย่างนั้นก็เรียกว่าสมาธิตื่นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้น เขาจะจับจิตตรงนั้นได้จิตตรงนี้ตอนก่อนแต่ที่จะไปถึงเพียงพอแก่ความต้องการในการหยุดคำบริกรรมนั้นะมันจะเป็นลักษณะสมาธิขั้นตื่นทีนี้มันเป็นลักษณะสมาธิขั้นตื่นสมาธิอันนี้ก็จะไปเจอเวลาเราทำการทำงานเวลาเราจะไปพูดเวลาเราจะไปคิด เวลาเราจะไปคิดการคิดงานคิดเรื่องคิดเราอะไรต่างๆเนี่ยสมาธิตืนอันนี้ก็จะเข้าไปเคลียหรือเข้าไปเชื่อมปนในการคิดเหล่านั้นความคิดเหล่านั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นความคิดธรรมดาก็กลายเป็นความคิดที่เกิดจากสมาธิอันนี้มันเกิดขึ้นไปได้อย่างไรมันเกิดขึ้นไปได้คือว่า ที่เราไปทําการทํางานเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเอาแต่ร่างกายเราไปทำเราจะไปเรียนนะจะไปคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาร่างกายของเรานี่ไปคิดแต่ว่าเอาใจของเราเนี่ยไปคือไปคิดด้วยเอาใจของเราเนี่ยเอไปคิดตามคือเพราะว่าใจนี่มันเป็นสมาธิอยู่แล้วแล้วเราก็มาทําอย่างเรามาทําอยู่ที่นครทำอย่างเนี้ยแล้วมันก็จับเอาไอ้ตรงเนี้ย ตรงนี้มันก็เป็นใจของเราเพราะเวลาเราไปทำงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำสมาธิเราก็ทิ้งไว้ที่นี่แต่เราก็ติดใจของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีการงานขึ้นมาเนี่ยใจที่เป็นสมาธินี่มันจะเป็นอตอมติดเข้าไปเคลียรหรือว่าเข้าไปสัมพันธ์กับความนึกคิด น, นันตอันนี้คือสมาธิตึ้นข้อจอจาน <c oughs> คือการเพิ่มพลังปรากฏซึ่งความเบา การเพิ่มพลังที่ปรากฏขึ้นซึ่งความเบานั้นก็คือเมื่อเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันเกิดเบากายเบาใจขึ้นอย่างนี้ไอ้การเบานี่มันไม่ใช่ของธรรมดาที่เราจะไปคิดว่าเราจะทำให้มันเบาได้ตามปกติมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าไอ้ความเบานี่เพราะมันได้ไปเคลียไอ้สิ่งหนักๆออกไปแล้วความไปเคลียสิ่งหนักๆออกไปแล้วตัวเราก็เบาขึ้น ไอ้การเครียรออกไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเคลียร์ได้หรอกเรายิ่งคิดยิ่งหนักยิ่งทําการยิ่งหนักยิ่งไปเที่ยวสนุกสนานกลับมาตัวยิ่งหนักอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเคลียร์ออกไม่ได้แต่ว่าไอ้การเคลียร์ตัวของเราให้เบาขึ้นเนี่ยมันเคลียร์ได้ด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเราสบายมือนเราตัวเบาเนี่ยอันนั้นถูกเคลียร์ออกไปแล้ว ตัวของเรามันก็เท่าเก่าหนัก60กิโล60กิโลเท่าเก่า70กิโลกั70กิโลเท่าเก่าแต่ปรากฏการณ์เนี่ยมันเบาขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มันหนักอะไรต่างๆแล้วมันเคลียร์ออกไปแล้วจบตรงที่เรียกว่าขั้นหนึ่งทีนี้ต่อมาขั้นสองเมื่อหยุดทำบริกรรมแล้วจิตยังตั้งได้เป็นปรากฏการณ์ขั้นที่สองอันนี้ไม่มีใน ไม่มีในตำราเพราะว่าเป็นคิดที่หลวงพ่อทำขึ้นก็ข้อกอ่อความสบายมีความสุขไอ้ตรงนี้เนี่ยเลยจากการเคลียร์ทีเ่เป็นสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลึกซึ้นขึ้นมาหม้ยความว่าเมื่อมาถึงขั้นสองนี่เขาเนี่ยหยุดทมบริกรรมแล้วอันนี้เมื่อหยุดทมบริกรรมแล้วนี่ข้อกอความสบายจะและความสุข จะเกิดขึ้นทันทีก็ข อ, ข อ, ขอความอิ่มเอิบมีสติตื่นตันใจจะตามมาตื่นตันโอ้ยเอิบอิ่มอะไรต่างๆและขอ้ขอคอนิมิตสิ่งต่างๆให้เห็นอาจจะเป็นพระพุทธอาจจะเป็นดวงดาวอาจจะเป็นเมฆหมอกอาจจะเป็นแสงสว่างอันนี้ไม่ว่ากันนะ ทนี้ข้ององูต่อไปก็คือความเคริ่ความเครื่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หลายทางความเคริ่นี่เกิดขึ้นด้วยอาการเราเหนื่อยมากอ่าแล้วก็ไปนั่งรถพักผ่อนก็เคลิ่ไปหรือว่าเรานอนไม่พอนอนกลงกลางวันขึ้นมาก็เกิดความเคริ่หรือว่าได้เวลาที่จะหลับแล้วก็เกิดความเคลิ่ หรือว่าเราไปกินยาไอที่มันง่วงนอนน่ะมันก็เกิดความเคลิ้มในความเคลิ้มนี่มันเกิดขึ้นหลายอย่างแต่ว่าเมื่อเราทำสมาธิแล้วเกิดความเคริมอันนี้จะเป็นเรื่องของสมาธิจะไม่เคลิมเหมือนกันกับไอที่เราไปกินยาเคริมหรือว่าเราง่วงนอนมากเคลิมแต่ว่าความเคริมที่เกิดขึ้นจาก สมาธิเนี่ยมเป็นความเพิ่มที่มีคุณภาพทีนี้จอดจานคือการเข้าพะวงเมื่อเพิ่มพอสมควรแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วก็ปล่อยเลยพอปล่อยก็เข้าพะวงไปก็เลิกกันแลทีนี้สบายไปเลยทีนี้ช้ถิงขอ้ขอข้อช้อนถิงนี่ก็คือว่าในกรณีที่ เราทำทั้งสมาทำสมาธิทั้งบริกรรมและทั้งหยุดบริกรรมนี่จะอยู่ในฐานะแห่งการเพิ่มพลังจิตการเพิ่มพลังจิตนั่นก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในเมื่อเราทำให้เกิดอาการกิริยาอย่างนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการวัดผลจึงเป็นเหมือนกับว่าเราพาการสำรวจ แค่อย่างเราสารวจเราจะเราจะทํางานอะไรเนี่ยเรามันต้องสารวจนะ่ะถ้าหาความันไม่สารวจเนี่ยเราก็แย่เวลาทําเสร็จแล้วขายของเสร็จแล้วพอตอนเย็นมาจะเก็บแล้วก็ต้องสารวจว่าขาดทุนหรือได้กําไรเสร็จแล้วขายรถได้กี่คันอขายเต้าผู้ได้กี่ชิ้นขายแพะสะได้กี่ตัว ขายผักบุ้งได้กี่กรรมขายผักไล่หมาได้กี่ก ร, รมใครรู้จักบ้างผักไล่หมาผัดอะไรผักกระเฉดอันนี้คือการสํารวจ่ะเราจะสํารวจว่าจิตของเราเนี่ยมาถึงขั้นนี้แล้วเป็นยังไงเพราะว่าในตอนนี้มันจะจบแล้วมันจะจบอใน เ, เรื่องของการบริกรรมแล้วมันจึงมีเรื่องของการสํารวจเกิดขึ้น พอมันจบตอนนี้แล้วทีนี้ต่อไปก็เราจะมาข้อที่สี่ต่อไปข้างหน้าอย่างเงี้ยก็เลยถือว่าข้อที่แปดเนี่ยมันเป็นข้อตำรวจหมายความว่าขายของเสร็จแล้วตอนเย็นแล้วํำรวจเช็คบัญชีกันทีอย่างนี้เป็นต้นเอาละถึงยังไงก็ได้เวลาแล้วก็ไม่ว่ากันเพราะว่าวันนี้นเป็นวันศุกร์ เราก็ต้องต่อเวลาสักนิดหน่อยต่อเวลาก็ต้องอต่อเรื่องเดินทางแล้วทีนี้ <c oughs> เลยจากฉันขี้ควายแล้ว <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยอุตริไปกินน้ําหมดก่อนเสร็จแล้วก็เป็นน้ําขี้ควายถาวายอาจารย์บาปกรรมกรรมกรรมแล้วก็ยังไปแถมบอกว่า เออนี่ไม่มีน้ำเขาเขาไปกรองน้ำมาให้ก็ไม่บอกท่านว่าเป็นน้ำขี้ควายท่านก็ฉันเขาไปไม่ฉันเขาไป อ, อิ่มน้ำสำนันแล้ว อ, อะไรมันตุ๊ตวะบอกว่าขี้ควายครับขี้ควายมันเป็นยาท่านจะทำหน้าตาเฉย่นะ <laughs> ยาน้าดีนะเนี่ยวิริยัง <laughs> อ่าเธอแกไม่เชื่อแกลองดูสิเราก็รอเต็มที่สิวัญญานี่เขาเนี่ยก็ต้องเตรียมกําลังเราว่าเลยจากอารันประเทศก็จะขึ้นปัดกรงคือหมายความว่าตรงอารันประเทศเนี่ยพอเดินไปพัทสบองแล้วเนี่ยแล้วก็ออกเอ่อมงคลบุรีสีโสพลแล้วถึงจะข้ามไปอารันประเทศพออารันประเทศไปเจอ ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปกินที่ไกวยพอกินที่ไกวยเสร็จแล้วพอจากนั้นก็จะต้องเตรียมตัวขึ้นภูเขาขึ้นภูเขานี่จะตัดตรงมาที่นครราชสีมาเพื่อที่จะได้เดินทางลัดการเดินทางลัดนี่จะต้องขึ้นภูเขาชันอาจารย์ก็บอกว่าสงสารลูกศิษย์เพราะฉะนั้นขอพักที่นี่สามวัน ในสามวันนั้นเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นคงจะ้องพูดวันต่อไปหรือไงเจอว่าไปนอนพักตอนนั้นก็หาที่พักไม่ได้ก็ไปพักกับพวกป่าไม้พวกป่าไม้เห็นอาจารย์มาก็ดีใจนิมนต์ให้ท่านไปพักที่แคมป์เขาเราก็ไปนอนพักที่นั่น แล้ทีนี้การที่จะขึ้นเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กการที่จะขึ้นเขาเนี่ยโอ้โหเขาเรียกเขาเรีย ก, กว่าเขาใหญ่มันเพือกเขาใหญ่ถามเขาดูว่าเวลาขึ้นเนี่ยเวลาเดินคดเนี่ยเขาเริ่ว่าร้อยสามสิบสามคดกว่าจะถึงข้างบนเขาอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์เขาก็สงสารลูกศิษย์เพราะว่าไปกันสององค์อาจารย์ก็ลูกศิษย์ ให้มันสะพายบาดสองลูกให้มันสะพายขวดสองอันแล้วก็ให้มันตายขึ้นภูเขาหน้ากลัวลูกศิษย์เราคงแย่แน่ท่านก็เลยบอกออพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกว่าขอลูกหาทักสามคนเถอะแม่พูดเท่านั้นเราก็ใจมาเป็นกองคราวนี้หลอดตัวอย่างรุดวิด <c oughs> ท่านจะไปหาลูกหาบมาทีนี้ให้ลูกหาบสามคนเนี่ยมันก็รับเงินจากอรับเงินจากเจ้าหน้าที่ถ้ามันรับเงินจากเจ้าหน้าที่แล้วมันก็หาบแต่หาบสามคนเนี่ยมันไม่ควรที่จะให้หลวงพ่อเนี่ยจะต้องทําอะไรมันก็หาบสามคนนะมันยังเอาของอยไม่หมด มันเหลือไอ้มงไว้สองหลังมุงเนี่ยมันมุงสําหรับไอ้ทากรดเนี่ยมันหนาอย่างเงี้ยมงอ่ะสองอันก็หนาไปเลยมันก็ยังให้หลวงพ่อต้องสะพายอยู่จนได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นาล้วก็บอกว่าก็แกเอาไปหน่อยสิบอกผม อ, อ๋ไม่ไหวแหน่เป็นอย่างนั้นซะในที่สุดหลวงพ่อว่บอกว่า ยังไงยังไงเราขอสบายสักวันเถอะก็เลยเอามุงนี่มาแผ่กันเสร็จแล้วแล้วก็เอามามัดตัวเนี่ยมัดมัดห้อมเสร็จแล้วก็เอาเชือกมัดทีนี้ก็เดินตัวกลงเลยทีนี้ <c oughs> ทีนี้ยิ่งแย่ใหญ่ <c oughs> ที่จะขึ้นเขาเนี่ยลอกคอนว่านี่เวลาหมดแล้ว เอาท่นนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> อ่าเพราะออกจากนี่ข้ามภูเขาไปแล้วอ่าต่อใหม่กํ <c oughs> าลังจะไปไปถ้าหัวแดงแล้วนะเนี่ยเพราะว่าถ้าหัวแดงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะออกจากนี้ไปก็จะไปถ้าหัวแดงเราค่อยว่ากันต่อไปกว่าจะได้ตารากว่าจะได้หลักสูตรมาสอนนี่ เราต้องตอตู้เต็มที่อยู่เพราะฉะนั้นนักศึกษาทุกคนก็น่าจะเห็นใจของพ่ออยู่นะเจ็ดเจ็ดสามก็คือคุณพิมแขรัตนวันรัชกาวันค่ะรัชตาวันขอเชิญภาบนมมสการพอาจารย์มีข้อข้องใจมาประมาณถึงยี่สิบปีได้ หาผู้รู้ไม่ได้ก็เลยกลรรมการเปลี่ยนถามทนาจารย์คือเมื่อสมัยอนี้ประมาณสี่สิเศษก็เกิดอุบัติเหตุคือเราขับรถชนขึ้นสะพานหัวช้างและมีเด็กหนุ่มคนมาขับรถชนสวนลงมาซึ่งเขาไม่ให้สวนลงมาก็เลยมาชนกันอย่างเช่นนีเชื่อเกิดประสานงานรถเราก็วิ่งอยู่อยู่นบนสะพานหัวช้างเขาก็มาอยู่ที่สะพานก็ลงมาพอตกลงกันได้ว่าใครผิดใครถูกเราก็จะเดินวิ่งไป ที่รถเพื่อแต่ขอให้รถกลับลงมาปรากว่าขณะที่เดินไปยังไม่ถึงรถก็ถูกรถพิกภาพเนรชนจนเขาขับมาเร็วมากกระเด็นไปห่างจากรถอีกตั้งไกลไอ้ช่วงที่เราถูกจนกระเด็นไปเราคงไปลม้มลงอะไรเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวเลยช่วงนั้นจะสงบสบายจะเบากายแล้วก็อยู่ในความมืดที่ไม่มืดสนิทคือจะมีเหมือนกับแสงดาวะระยิบระยับแล้วเราก็รู้สึกสบายมากเราก็ หัวลอกหรือว่าอ๋อตายแล้วเป็นอย่างนี้เองนะมันก็สบายดีทีนี้พอพอผู้พูดอย่างนี้ให้ตัวเองเสร็จมันก็เกิดแสงสว่างวูบขึ้นมาเลยเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็เดินกระโเผกกระเพกเพราะว่าก็มีบาดแผลนิดหน่อยที่ฝ่ามือฉลอกแล้วก็เอาร้อยเอ็นไว้ข้อเท้าขวาคือรองเท้ามันพลิกหักเข้าไปแล้วก็ดึงให้เราอาเสบเราก็เดินกระโเผกกระเพกมาคือคนที่เขา อยู่รอบข้างเขาว่าเราตายแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยพิจนาให้ทีว่าเหตุการณ์อันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราทำบุญทำบาปอะไรว่าตั้งแต่สมัยหญยังไงหรือยังไงและตอนที่จิตมันออกจากล้างนั่นหมายความว่าจิตไปอยู่ที่กายละเอียดใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้ก็คือในตอนที่ถูกลดชนนะ่ะ <c oughs> มันความรู้สึก ในร่างกายอันนี้มันหมดไปแล้ว <c oughs> แต่มันก็หมดไม่จริงถ้าหมดจริงก็คือคงตายแต่ทีนี้หมดไม่จริงพอไปถึงตรงนั้นก็เลยไปถึงไปถึงจุดพลังอำนาจจุดพลังอำนาจที่มีอยู่ในตัวคือ <c oughs> จุดพลังอำนาจเนี่ยมันจะมีอยู่ทุกคนทุกคนพอไปถึงจุดพลังอำนาจอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ร่างกายเนี้ ไม่มีการในคล้ายๆก็ว่าร่างกายนี้นจะเป็นของขังขึ้นม า, าเสมอจิตไปอยู่จุดพลังอำนาจแล้วร่างกายก็เลยไม่เกิดการกระทบกระเทือนว่าจะต้องขาหักแขนหกักแล้วในขณะนั้นน่จิตก็เข้าไปสู่อธิษฐานกายคือกายละเอียดทันทีเพรอเข้าไปสู่กายละเอียดแต่ว่าความรู้สึกให้ร่างกายอยาบนี่ยังอยู่การประสานงานของระหว่าง ร่างกายหยาบกับร่างกายละเอียดก็เกิดขึ้นในขณะนั้นจิตของเรานั้นได้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าจุดพลังอานาจขณะหนึ่งเพราะนั้น mm hmm. เมื่อเวลาเสร็จแล้วทุกอย่างก็ลุกขึ้นมาได้เดินได้ตามปกติแต่ว่าเราจะกลับไปที่ตรงนั้นอีกไม่ได้ไอ้จิตเนี่ย mm hmm. จิตมันจะเข้าไปได้ก็เพราะว่ามันถูกกระทบนกระเทือนเต็มที่ไปถึงจุดพลังอานาจ แต่ถ้าหาว่าจะเข้าไปอยู่ได้อีกทีก็เราต้องทําสมาธินี่เขาถึงจุดพลังอํานาจอันนี้ท่านคะเออเลื่อนไม่กระดูกไม่หักสักท่อนหนึ่งคือหลังจากนั้นมาหน่อยไปเจอเพื่อนสามีเขาถูกมเอเตอร์ไซค์ชนอ่ะเขากระดูกสะโพกก็หักขาอ่อนก็หักทาไมเดี้ยวไม่หักอ่ะอันนี้เขาไม่ถึงจุดพลังอํานาจนะอ่ะเนี่ยอ่ะ <c oughs> ปอโยชน์้องการมาเรียนสมาธิกับหลวงพ่อนะงั้นก็เลยค่อยรู้จักขึ้นมาหน่อยพระที่เคยสู่พระองอํอำนาจก็มันก็เหมือนทาสาลอย่างเงี้ยก็โดดข้ามไปได้ก็ต่อไปก็ขอเชิญคุณกินพรทมวิหารคุณกรานพุทมรรคการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เสร็์มีเรื่องจะถามข้อคงาใจที่ติดข้างอยู่ในใจตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยตะวันสิษย์เนี่ยมักจะได้เป็นทูปเป็นน้ำหอมกลิ่นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอยากจะเรียนถามาอาจารย์ว่ากระแสที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นอะไรคะกเิ็นต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านตัวของเราเนี่ย บางคนก็เจอกินเหม็นบางคนก็เจอกินหอมอะไรเหล่านี้คิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของอารมณ์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนเขาบอกว่าถ้ากินหอมเทวดามาถ้ากินเหม็นเปรตมาอย่างเงี้ยหรือว่าคนตายมาที่จริงแล้วนะั่นะอันนี้เป็นความเชื่ออันนึง แต่ตามความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าอย่างคนตายเนี่ยเราเห็นศพเน่าจริงแต่ว่าเมื่อเขาไปอยู่ในอธิตยมานกายแล้วเนี่ยไอ้ความเน่าอันนี้หรือความเหม็นของศพนี่ไม่จะไปติดในอธิตยมานกายนั้นเป็นไปนไม่ได้เพราะเวลาที่อธิตยมานกายจะมาเนี่ยพบกับคนที่มีชีวิตเนี่ยเขามาด้วยอธิตยมานกายจะร่างกายนั้น อันเน่าเหม็นนั่นก็ไม่ได้เอามาด้วยเราไปคิดว่าเมื่อเวลาเน่าเหม็นมันแล้วได้กลิ่นเหม็นแล้วก็โอ้นี่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่จริงไม่ถูกวันที่ไห้วัดมันไปกับหลวงพอ่อก็ไม่เห็นมีกลิ่นอะไรก็คงจะเพราะฉะนั้นกนลิ่นเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอ่ะขอให้คิดว่ามันเป็นปกติของอารมณ์ชนิดหนึ่งก็แล้วกัน ขอบพระ <c oughs> คุณขอบพระคุณหลวงพอว่อเจ้าการนะับขอเชิญคุณพิมลมาศจันทถาพรกราบนราการพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะสิทธอกราบเรียนว่าสิทธเป็นโรค ก, กระดูกน ะ, ะมีหินปูนเกาะตามหลังกบไหลเนี่ยค่ะพอเวลานั่งสมาธิไปได้สักครู่เนี่ยจะปวดกระดูกที่หลังแล้วก็ที่เอวมากค่ะวันอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า การใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจ้าคะเกิดต้องใช้จุดพลังอำนาจเนี่ยละลายหินปูนอันนี้เป็นไปได้หลวงพ่อเรามาคิดดูถึงว่าเมื่อหินปูนมันมาพอกคอหลวงพ่อเนี่ยเมื่อตอนที่ไปอินเดียหลวงพ่อเข้าไปในไอ้นั่นนะในอุโมงค์ ในรูปมองอะไรจี่เขาถ่ายโอ้โหเป็นชั่วโมงเนี่ยยึดหนักแทบแย่เลยถ่ายออกมาที่พยาไทเนี่ยถ่ายออกมาเขาบอกว่าโอ้ยแย่แล้วหลวงพ่อแย่ยังไงบว่หินปูนทั้งนั้นเลยเวลาจะหันไปนี่ก็หันไม่ได้หันไปนี่ก็หันไม่ได้เหนื่อยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใบกายภาพอยู่สามเดือนไม่ออกไม่เข้าหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น เหลือพ่อไม่เอาหมดยาวก็ไม่เอาหมอก็ไม่เอาไปนั่งอยู่ที่ซอยอินทนนท์กว่ามันจะมาเป็นอย่างนี้ได้ห้าปี <c oughs> ขนาดนั่งเออก็เองเนี่ยนะแอหันไปหันมาเอานี่เวลานี้ไม่มีละไหนหมดเลยนั่งจะคิดว่าไอ้เรื่องของพลังกิตเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าก็อย่าถือว่า ทำได้ทุกคนเกอดกันแต่ถ้าหากว่าเวลาที่เราจะทำเนี่ยพอจิตมันไปถึงแค่ไหนกว่าเวลาที่หยุดนะหยุดคำบริกรรมได้แล้วจิตสงบตรงนั้นเราเพ่งสีเขียวเข้ามาใส่คอเราเนี่ยทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งคิดว่าห้าหกปีคงหมด แต่ต้องสีเขียวนะแท่งสีเขียวจะทำยังไงฮะเมื่อถึงสีเขียวแล้วค่ะคือจิตถ้าหากว่ามันไปถึงในตนหยุดอคือทําเองเนี่ยมันไปตนหยุดคําบริกรรมได้จิตมันจะสงบไม่ก็อยู่ใกล้ๆกับจุดพลังอํานาจแล้วตรงนั้นเราก็ทําให้จิตของเราเนี่ยมันมีแสงเหมือนแสงไฟอย่างเนี้ยแต่ว่ามันเป็นสีเขียวให้มันไปอยู่ที่ ตรงที่มันเป็นในอะไรทั้งสิ้นปูนเนี่ยมันจะละลายได้อันนี้เป็นรู้สิทธ์จะบอกให้ถ้าไม่ใช่รู้สิตธิ์ไม่บอกลากราบขอพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ่อไปขอเชิญคุณพิศมลวันถนอมเกียรติพุมิกราบน้อมสักการพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะลูกมีคำถามที่อยากจะถามค่ะว่า ถ้าอย่างคุณแม่ของของลูกๆนะคะอายุมากแล้วแล้วก็เป็นคนจีนนะคะซึ่งความจำก็คงไม่ค่อยดีเพราะว่าเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วท่านก็คงจะกล่าวคำที่จะก่อนลูกอยากจะให้ท่านได้ทำสมาธิแล้วก็บอกบอกคุณแม่ว่าให้ให้ทาสมาธิด้วยแล้วคุณแม่ก็เคยทำจนกระทั่งแบบว่าเคยตกใจเพราะว่าตุรู้สึกว่าตัวเองลอยขึ้นก็เลย ก็เลยไม่กล้าทำตั้งแต่บัดนั้นพอลูกได้มาเรียนสมาธิกับหลวงพ่อลูกก็อยากให้คุณแม่ได้ทำต่อแต่ทีนี้คุณแม่จะไม่สามารถที่จะกล่าวคำก่อนที่จะนั่งสมาธิและก็ไม่สามารถที่จะแทนเมตตาหลังสมาธิได้เพราะว่าจาไม่ได้แล้วก็เป็นคนจีนซึ่งสัพเพสัตตาไม่ได้แล้วจะได้อา น, นิสงส์หรือเปล่าเจ้าคะได้เธอว่าพุดโธอย่างเดียวไม่ต้องทาอะไรอ่ อพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ได้ก็พุโทโธได้ยมพ่อหลวงพ่อก็เป็นคนกีนเหมือนกันแต่ว่าพุดไทยชัดถือว่าพุโทโธเท่านั้นเราไม่ต้องไปที่ฐานขั้อขึ้นต้นแล้วก็ลงท้ายไม่ต้องพุโทโธอย่างเดียวเอาว่าพุโทโธปลกันแล้วกันแล้วก็ได้อา น, นิสงส์งเราไม่ได้แผ่เมตตานี่ก็ได้อา น, นิสงส์ด้วยเหรอคะได้ คือเมื่อบริกรรมพุโทโธเป็นอพุโทโธในใจได้แล้วเนี่ยจะได้อา น, นิสงส์ตลอดแล้วถ้าอย่างคนที่เอพิการลนะคะอย่างคนที่หูหนวกแล้วก็เป็นใบอย่างเนี้ยค่ะคนคนชนิดนี้เขาจะไม่ไม่สามารถที่จะทําสมาธิได้ใช่อหมแล้วเขาก็จะไม่ได้ไม่ไม่ได้ทําทําบุญหรือทําสมาธิได้ใช่ไหมคุณพ่อมันน่าเฉลีย ก, กว่าคนพิการ จะยกไปกันแล้วกันก้าบขอบพระคุณ่ะเกิดมามีกรรม <c oughs> ต่อไป ข, ขอเชิญคุณพีรพงศ์ีรภาพิพัทน์ขาบนมัสการท่านอาจารย์สิ์ขอเรียนถามว่าเวลาสิ์นั่งสมาธิบริเวณหน้าผากจะมีความรู้สึกว่ามีแรงมากดบางครั้งก็เป็นที่จมูกหรือหัวคิ้วไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดครับ เออสิ้งที่มากดนั่นอนะ่ะเพราะว่าที่จริงเรื่องของจะไม่ได้มีอะไรมากดแต่เป็นการที่เรายังปรับเรีปรับการนึกพุตโธปรับลมปรับอะไรของเราเนี่ย <c oughs> ยังไม่ถูกไม่พอดีอ่ะ <c oughs> ก็เลยเกิดอภิสิิกิริยาขึ้นบางทีมันอาจจะไม่ใช่กดอาจจะดันอาจจะอึด อ, อ, อาจจะอะไรมันมีก็จะมีเยอะแอต่ที คนที่เข า, เาทำให้าการสมดุลระหว่างการหายใจการาบริกรรมการอะไรอย่างเงี้มันไม่สามารถที่จะทําให้คล่องตัวได้แต่จริงเหล่านี้นะมันจะไปไหายเองมันในเมื่อเวลาที่จิตเนี่ยพอทําไปทําไปีไป่มันจะค่อยปรับปรับตัวไปเองได้จนกระทั่งในที่สุด สิ่ปรากฏเแล้วนี้จะหายไปเองริงล่นี้คงจะเป็นเครื่องต่อต้อตานชนิดหนึ่งของสมาธิในการที่หลวงพ่อจะได้อธิบายต่อไปในหมวดหน้าต่อไปขอบคุณท่านอาจารย์ครับต่อไปขอเชิญคุณเพนพิษพานิชลาโพตามนำ้ำมการหลวงพ่อคะ่ะจิตใจจะถามหลวงพ่อนะฮะ ทุกคนนั้นมีกรรมของตัวเองไม่ว่าเป็นกรรมดีกรรมชั่วอาจจะเป็นกรรมมาจากในอดีตถโดยที่ผู้นั้นไม่รู้ว่าทำอะไรมาบ้างเมื่อเราฝึกสมาธิแล้วสามารถจะตัดวิบากกรรมได้หรือไม่คะถ้าตัดวิบากกรรมได้จะต้องฝึกสมาธิถึงขั้นไหนคะสมาธิเนี่ย <c oughs> มันมีเหตุผลที่ว่าในการตัด ก, กรรมต่างๆมีเหตุผลที่ว่ากรรมเนี่ยที่ทำมาแล้วในอดีตมันเหมือนกันกับสุนัขไล่เนื้อเมื่อไล่ไม่ทันแล้วสุนัขเนือก็กลับเนื้อก็เข้าป่าไปนี่ครับนี่เป็นข้อเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าคนทำสมาธิเนี่ยแน่ใจเลยว่าเวลาที่ตายเนี่ยหรือว่า หลังจากแค่นี้ไปแล้วเนี่ยสมาธินี่จะช่วยเขาเ อ, อต้องไปสู่สุขติในต้องไปเอาไปเพราะการทําสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกกรรมที่ทํำอาไว้เนี่แทนที่จะติดตามเนี่ยมันติดตามไม่ทันเมื่อติดตามไม่ทันมันก็กลายเป็นอโหสิกรรมไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามส่วนเ อ, อ ย่อยหรือว่าส่วนอะไรอะไรต่างๆเนี่ยยังมีอีกมากบางอย่างก็คงจะต้องตามทันไปจนได้เออเช่นอย่างท่านพระโมคคันลาอย่างเนี้ยท่านก็ได้สําเร็จเป็นพาระอรหันต์แล้วตอนปรินิพพานท่านก็ต้องถูกโจรเนี่ยมาทุบ ก, กระดูกละเอียดหมดมก็เพราะว่าในอดีตชาติได้เคยไปฆ่ามารดาของท่าน เคยฆ่ามันดาของท่านในสมัยหนึ่งที่ท่านเกิดในตระกูลอะไรไม่ทราบก็ไปเชื่อภรรยามากก็เลยถึงกับว่าไปนัดกันกันกบใครคนหนึ่งแสดงเป็นโจรแล้วก็บอกให้เข้ามาฆ่าทีนี้พวกโจรก็เตรียมที่จะฆ่าในที่สุดแม่ก็บอกว่าเอ้ย หนูหนีไปเธอแม่ตายไม่เป็นไรหรอกไอ้โจรโจรที่สร้างขึ้นก็เลยมาฆ่าแม่ของท่านโมกลาท่านก็เลยต้องมาถูกโจรฆ่าถ้าส่วนใหญ่หญเนี่ยก็จะต้องรับส่วนย่อยๆก็คงจะตามไม่ทันอ่ทาท่านนี้ก็อธิบายทัานนี้ก่อนก็แล้วกั น, น, นเวลาหมดอ่าขอบพระคุณ <c oughs> แต่ต้องอาอีกคนหนึ่งก็แล้วกันไภรั คุณณเพิ่มศิริกับนักการอาจารย์ก็ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกันเข้ารวังครับคือการเข้ารวังมีสองอย่างเข้าจากเนื่องจากการนอนหลับแล้วเข้ารวังเนื่องจาก ก, การนั่งสมาธิที่มีข้อสงสัยว่าจะวัดผลได้อย่างไรว่า เ, เราเข้ารวังเนื่องจากการเข้ามาธิเสมาธินี่คือ เวลาที่เรานั่งสมาธิไปแล้วก็บริกรรมเริ่มบริกรรมเริ่มทำจิตพอเริ่มทำจิตริ่มก็ต่อจากนั้นไปก็จะเริ่มเข้าผวังอันนี้คือเป็นภวังของสมาธิแต่ส่วนผวังธรรมชาตินั้นเวลาที่เราง่วงนอนหรือเวลาที่ได้เวลาเราก็หลับไปเองอย่างนี้เขาเรียกว่าผวังธรรมชาติ ซึ่ก็ดะแตกต่างกันตรงที่ว่าภาวังที่สร้างขึ้นด้วยสมาธินี่มันมีการก่อตัวขึ้นมาด้วยสมาธิเียก่อนเช่นการนึกพุโทโธจุกระทั่งจิตมันสงบลงก็ลงไปอย่างเนี้ยส่วนภวังที่เป็นธรรมชาตินั้นก็ลมหัวลมหัวถึงหมอนก็นหลับมันก็เข้าไปเองแตกต่างกันอย่างเนี้ครับขอบพระคุณครับ